คป็นตุ้ยางสี่ตอกสี่สอนไป่เพราะสี่ตอกจิตของใจเปลี่ยนันลวันนั้นบอกคยบอกเคยสอนสร้างซื้อวะเด็กที่นีที่เจอหน้าฟั้งซื้อวะเด็กให้ได้กํามันกับว่าเป็นผลอันใดหายเสรินก็เขาคิดซื้อว่าเห็ุมาลงมือถ้นกับว่าเป็นการเป็นงานหา ว่าไฮว่าหน้าว่ะจึงได้ด่คืดไปคืดมันเบลีวโวทัวให้ลงมือทำไปนําเหมือนงานทางใจเคทำร่องเดี่ยวกันแล้วอย่างภาวนาตั <Sí. S 1> ้งรับตั้งร่าสิคนบอกคนสอนนั่นมันเป็นเรื่องของพว้อื่นมันเรื่องของเฮ้าม่ใช่ดหรือใบ้ที่ดเพิ่นำมาเขียนไว้บอกไว้ มาทำยางนันทำยางนันไดยว้นางนันยางนันเป็นเรื่องของเพินตังแต่เมื่อคือยิ้มถองยิ่วเบิ่งินชินเข่าแล้วมันชินเพลินยิมเพนเอาวะชินรล่ยว้นั้นนันดาการปฏิบัตินันจิตใจกับสัมงเดียวกันเห็นวาเห็นว่าเรื่องของเพลน่อไหวนนันใด ก็ดาแตจิตากาน้าฆาละหันการเจอหน้ายัมนยังนัเข้าหูจับก็เด็กว่างมันเป็นอี๋ยหคนหรือเป็นเทวดาเทวดามันจะเดนไหลเป็นยังเหียดไหลท่ามไหลเิ็นจังยียังมีเศษหายนเขามันเป็นอันไหลมันจะว่าเป็นแฝงหา เื่องจากห่าวปีนีปีแย่หน้าห่าเห็ดบ่าวถ้ำวันมันเรื่องอันอื่นอันตั้งแต่พอเป็นกันกับไรมาลงน่ะตั้งถึงความจำคิดจำใจหรือพอเป็นเทนาำสลังหมานเทใส่ไม่ก็สบัดออกสลัดออกโต๊ะวัดข้าวเจาวกรแหงมันก็คือเอาเทลงไปใ้ตุ่มในหายมันมีขังไว ใจวมีิ่าเราได้วเป็นสาระประโยชน์เี้ยให้ตั้งไปแล้วโมีิเจ น, า น, น, เนานไปฝึกไปทําเห็นมันเกิดมันเห็นมันเห็นมันหูแล้วก็ยังสีมีความฟุ้ควา ม, วามสบายน่นีดูดดมชื่ใจใจไหลอไหลถ้ำโมีอันไหน เป็นคุณคาดสาระให้สำหรับคนเท่าพอกะดูกระขายบัวใดเือนนั้งกะกินโบเป็นว่มีเสียงใดสิไหลา่าไหลสาระก็หมอนูเท่าอาวงมีคุณธรรมอั น, ดนใดเกดไกลตายไปนยังนีผู้เอาไปสือไปขายไปส่งไปแจกกินได้คนเท่าตาย ว่ามีประโยชน์ได้นอกสีจากสีนาวสีเหม็นสื่อๆหนังก็คล้ายว่วใหเห็นตื้อก็คล้ายว่วเป็นเวลาเขานี่ลมหายใจมีกกำลังวางชาว่าสัางผู้งามความดีใดกระบเฮ็ดหลีบทำเอาวไว้หายใจวันสุกให้มันใจมันสบายอันนั้คูก็ได้เฮ็ดอันนี้คูก็ได้ทํา เจหน้าถึงเรี่ยงตัวเหตุตัวท่ามัมนจะเย็นใจสบายใจเบาใจว่าเกิดมาบ่าไหลค่ะเกิดมาหรยอท้าสาราประโยชน์ยิ่งใจได้ดูได้เห็นความเป็นไปภายในมันจะยิ่งดู ด, ดึงเข้าไป่เพราะมีวันถอดถอยถ อ, ถ อ, ถ อ, ถอดทอดพอรถของท่ามณะนารถทั่วไปเพป็นว่า ในาำรับกำล่าบละสังฆามานะหสหลนา้าติตนะเห่าังสนะรหาทั้งปวงความยินดีในถ้ำสณะความยินดีทั้งปวงการหายถ้ำศาสนาการหาทั้งปวงว เสื้หมดนะคือความดีของธรรมันเป็นอย่างไหนถ้ำจังสนา อ, อื่นๆอย่างนั้ว่าที่มีปีเซรนะ์นาตามเหล่างเพื่อนว่าการให้ถ้ำชนะการให้ทั้งพวงการให้เข่ของเงื่นทองต่างๆแต่ว่า ม, ามีทางผิดแก่กิเลสตันหาได้ส่วนการให้รรม ผู้ที่นั่งไปฝึกไปสอมไปผู้ที่ปฏิบัติสา 3, ผมผลทุกไปได้เพราะใชว่าการหายท่ามสนะการหายท่าพวงรดสองท่ามสนะลดท่าพวงผู้ที่เขา้าถึงท่ามผู้ที่นี่คิดใจเป็นท่ามมีความสัมผัสในท่ามสนะรถอันอื่นรดที่เหลือตั้นหารด ข้องจำก์ต่างๆนาหน้าสี่เฮาเคยเผือดเพผินเคอยยินดีมาจะเกาจะก่อนพราะจะได้ลืมรถท้องท่ำหอยใจเหลืองข้องท่ำเห็นแจ้งในเหลืองข้องท่ำไปจากในเหลืองของ้องท่ำป ล, ล่อยมันใส่ลายมันไปมันก็บ่กไปดอกใจความเหตุใดพอเรือเ่องข้องท่ำสี่เฮาหนูในใจของเฮาเขาเห็นในใจของเฮาที่นี่รถฉัดฝังสันดานของเฮามันเป็นรถสี่เหลือสี่ประเสริฐ ลดอื่นรถอันอื่นนี่ลดสิเกียดแฝงไปด้วยยาพิดเกียดน้าตาลอุณหภมีความหลงก็คือว่าหวานกินไปถึงเป็นพิษเป็นพ่ายถึงจะความหลุมความตายไปได้ความหลุมความหลงของเฮาคือว่ามันดีเบื้องต้นแต่ต่อไปก็นาถูกมาเผาใจของเฮา มีรดอันอื่นทั่วไปมันเต็นทัพนองนั้นรถของกรรมมาันเสียดทั้งหลายผู้เร่โผลงในเรื่องเรานั่นเหาใจในอันในถ้ำมันกะตางกันเบาไปว่มีจิดมีไพ่อภัยมาเผาถึงเรื่องเล่าทั่วไปมันสินี้อยู่ในโลกเสียงมันสินี้อยู่ในโลกกับโหลง่งบ่เพิ่น พอเดื่มรถของขํามพอได้เห็นรถของขํามรถของข้ามันจางสนะรถทางนอกแล้วไปหลุมเขาไปหลงจิตใจหน้ายมันเห็นมันเป็นขึ้นไดจิตใด้ใจจิตเขาใจเองรถทองข้าเป็นรถเลิศรถไปเสิร์ตรถวิเศษจินแล้วว่วเบื่อวน่ายวัจืดบัจาง พอเปิดเครื่อรทางนอกรถทางนอกมันแอบมันนัวมันดีวิเศษแต่งใจเหมือเวลาที่เขาหลงเท่านั้นเพาห า, หายจากหลงมันแต่ว่าดีวิเศษอัในใดคนหายหลงจช่งบ่ เกิดเพื่อนในรถาฟนอกความยินดีในถ้ำยินดีดีๆในถ้ำเป็นเรื่องสีขณะความยินดีทั่วไปความยินดีในสวมในเสียงในกินในรสในสัมผัสค่อยๆประสบพบมาแล้วความยินดีในถ้ำมันเกิดขึ้นมันคิดกัน ความยินดีเนะนียรูเสียงยินรดหนัแน่นมันเป็นความยินดีเต็มแบบไปด้ยวยความหลงมันความยินดีหรือความลูกติดมันแบกมันหามเหลือแตนหามันขับมันผมเขื่ยมันแสงคิดใจอั่งไรหลงเลยแล้วเมื่อไปใ้เหลี่ยงเรานะั่นแตนมาลูกเรื่องค้องท่ำน่าขอดใจเรื่องค้องท่ำ เกิดสลดตั้งเล็เกิดเบื่อเกิดนายควยินดีเกิดเพื่อนนำเรื่องถี่เกเจ็นเสยเจ็ดมาจากเก่าก่อนแปลว่ามันสนะควยินดีทั่วไปเร่องเราหนิมันก็อยู่ในเ้าวมันจอยู่ในผู้อื่นห้าอยากได้อยากดีอยากเห็นอยากรู้มันจัง ต่างหต่างตปฏิบัติได้อันเ้าว่าอยากควมใจนั่นสิยากด้วยแหละมันติไปหลูกไปเห็นแต่เรื่องอำนาจพยายามมันจะเป็นไปได้ถึงบวมมากบวินดีแต่ต่อใจกร้าคือส้นไข่บ่มมากยาเนี่ยถ้นกินแล้วมันหายมันก็อยากกินจะได้กินแล้วมันเพิ่มโรลกไข่ไข่เจ็บเข้าไปมันก็ว่าอยากกิน ยามันสิผมสีเทียนสิฟาดขนาดมได้ก็ตามเข้าไข่คนถุกทรมานมันลำคั่นกับการกินยากินยาลงไปอ่ะความถูกทรมานโรคไข้ในกายมันตกออกไปหายออกไปเวลาข้อมเบาข้อมสบายเขาก็พยายามกินเห็นว่าโรคของเขามันสียหายด้วยการกินยาแ น, น่ น, น ข้าให้ฟยามไข่ปันใดปวยปันใดแต่ยังยินดีในโลคในไข้ยินดีในข้อมไข่ข้มปวยข้องตัวบ่ยินดีถึงจะรักษาแม้จะมีท้างหายได้นี่แต่จะเกเอาไปปราศหมอฝังกระเผาเท่านั้นคนรจิบวิรลรักษาโรคไข้ไข้ในกายทํานองนั้นควจิบวรักษา หลอไสภายในใจกับทําน้องเดียวกันอัดทามทีนี่เป็นยุคเป็นยาสำหรับแจกใสแต่ว่าน้ำมาที่เจหนา้าน้ำมาศึกษาน้ำมาคึกสอบปลอยไปบ่ ไ, ป ไ, ปได้เอาใจใส่บ่ ไ, ได้ใ่ควนอัดทามก็หนุ่มหลงเหล่าหล่อนเกิดขึ้นในทุกระยะทุกเวัยละความประมาทนั้นเลยหมัวเมา ใยจริงจังแคสิเป้สาวใจอันใดพอบ่ดีรกษาเอาไว้พอบ่ดกรักายใจของตัวก็เลยเดือนร้อนหวุนไหวออพอห้าเม่ยผู้หลังมาซอยมาดูแลรักษาแฟนผู้หดิสซอยได้ก็คองไข่องมั่นกองเจ็บไข่ก็ดีก่เจ็บรวยคงหลมความตายช่วยกันได้ อาศักันได้ทั้งสัตว์างคนเกิดมามันจะมีถ้าปวกเพื่อนูงคุณกูได้ตายเลยแล้วคกูได้แก่ได้เก็บเลยล่ะซอยไหวซอยไหวว่ามีผู้ใดไข่ได้หนาวนี่มันโมเป็นทับน่องน่ะมันเป็นของสะโพกตัวมันยังให้รักษาปฏิบัติใจมันเห็นมันเต็มมันหูหัมันเห็นมันหู ขอใจาตามเป็นจริงหะ่ะมันกบหลงอันนี้มันเกิดมากมันมีแฝงควรอันนี้มันเกิดมากมันมีแตกสลายของใจคณะชาติเกณยนว่ามีทา้งสี่แจกไถ่ดอกบอว่าตังแะเห้าเพราะพุทธเจ้าภูิมนหลูกมก็เข้าวิเศษก็เข้าเหมืนก็แจกไถ่บ่ไบด้คนแฉกไถ่ได้มันกบปรินิพานเล่าจิตไปมัวเมาหลุ่มหลงอียงน้ำของหลูกมกองขันอันนี้ แมันต่มีทางที่จะกลวงว่างปลดปล่อยใจปล่ยเยว่เนี่ยรูดกายทองตัวต่อการปลดปลมูเห็นเป็นจริง่าเฮ็ดควทำพันแยกได้ก็จะเกีมันได้จังไแล้ว่าิ้อยาให้อิ่ม่เฮ็ดควท่ำอยางไรจรินักจริงนีมากันิบับ้า มันคิดบัติพ้นดีคนดีเขาต้องหาเวลาอยากได้เวลานิยต้องกินมันจังอิ่มเวลายากได้ต้องหามันจังเห็นจังได้ปกติก็หลบข้างถ้ำเป็นทํำนองน่ผู้ชาเจ้าคนไปแสวงหาหมวกไป้นาบพบนาบขาดบ่ได้เดมาถึง ปัจจุบันเพื่นก็แสวงาสาห า, าวอยู่ในภาษาลาศว่างว่ตถุพิทุกกองโลกสินีสมบัติเข่าของเงินท่องห ม, ามา่างไม้กายฟองขนาดใดใจมันยังเป็นทุกยังเดือดร้อนอยู่มันบอนมันเป็นทุกน้ำเ ข, าข่าขวางน้ำเงินนําท่องนี่สินีใช่เหตุไดมันจะเป็นทุกทุกนี่มันเกิดขึ้นมาจากกิเลสตัณหา ความบมพ่อหมอพ่อดีความมมีอาท้ำมันจงแสวงหาอาชรำความหมอพ่ออดีเขงที่คล้องใจแต่แสวงหาในที่ต่างๆเดเหนือตัวทีพ่อเห็นมาแล้วกับ่าแพ้งบ่าสงวนลิขิตนำมาสอนพุทธบรีสัสคุผู้นี้ความมุ่งมั่นนะ การประพฤติปฏิบัติให้รู้เห็นเป็นจริงได้ลาทอนเสียงได้อย่างของผู้ใจเจ้าคูอาจารย์แตทั้งน้องเดียวกันตั้งตั้งองค์แต่สดับเราฟังจากตำรับตำหาจากคู่บาอาจารย์แต่ประพฤติปฏิบัติเร่ความภากความเที่ยนบากบันพยายามคิดตามแกะไขความเสื่อเสียของตัวอยู่เรื่อย ผลที่สุดมันจะได้ถึงความดีดีเศษได้เอาสิที่เรีหน้าอย่างไหนหรือแฉยมันตายไปคือของคือบับังคือบังทางบังขางเหี้นท่าตั้งเพลิงอยังเรเข่าก่อนมันมีบนเพลงบนอาศัยได้กันมันพังไปลนี่มันได้จากกรดำเกาได้จากมนเกาเอาเดีมาเกิดเป็นมนุษย์ เขาเคยปฏิบัติอัร์ตธรรมมาพ่อสมควรจะพุ่งพ่มนุษย์มันจึงเกิดเป็นมนุษย์ได้แต่เขาบว่ามีคุณธรรมอันใดว่าเกิดเป็นมนุษย์มันก็เกิดมาได้อยากอันใดมันก็อยากคือคือสันกับคนมันมีเงินมีทองอยากจร่งอยากของอันดบอันดีมันก็อยากซื้อเพ่าะมีเงินสืบืพราะมีกัรญาสืบหา แต่ท้องดีสองมีของแหลกเตียนเขามันแจีงได้มาก่มีจรีงแหลกเตีย น, นกระ บ, บาได้มีการอยากเกิดเป็นมนุษย์เป็นเทวะบุตรเทวาดาษถ้ า, ถานอง่เดียวกัน่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่จ่งไ่่เกิด่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่ก่ก่่่กัน่่่่่่่่่่่่่่่ัน่่่่่่่่่่่ก่่่่่่่่่้่่่ลํา่่่่่่่่่่่่่่เ่่่่่่่่่่ ใ่ความมันอยู่ตมันต้องการว่าว่าต้องการแต่ จ, จำเสียนพพชาติของเขาแต่จบและกรรมลำบากไปเพราะว่านีคุณความดีอันใดสิเดมาเกิดเป็นมนุษย์เขาเลยได้สวยกรรมของเขาไปสิมาเกิดเป็นมนุษ ย, ยนนษ์จะมาเป็นผู้ถิ่โศกดีมีทุนชือบุญกุศลสนับสนุนให้แต่มาเกิด ถ้าเกิดได้ลืมหลงบสาสังคคุณงามความดีเอาไว้นะนะจายไปเงินทั้งงบเ่นอาศัยที่หัหว่าอยากไปลอกนะลูกใชสิอยากไปคือสันจะกู้ได้โมอยากเปก็นวิจุกิตตล่างโมสุดอยากเข้าใจโสเสตวนนั่นแหละแต่เหมือนทาฟัวมันเกิดจำเป็น เราต้องยับ ต, ต้องคุมสามทนนักทนเบานักหลายอโทเปิดประหารทหารขาดทีมมันนักแผนดิ น, นยูแหลกของเว้นสารประโยชน์คนถี่ตั้มตัวเห็นผนตัวถึงตนว่าต้องการได้มันเป็นของของตัวคนถิ่ตามดีถึงมันถี่ลำแบบอยากแข่นขนาดใด พยายามท่ามไปความคิดความใจท่ามนั้นแต่ดีดอกดีกว่าบวชข่มโ่ พ, พมมยายามความพยายามรือความเพียรความเพียรคือเพื่อท่ามอมอดความทนบ่ ม, มาง่ายเจ็รตข้ามนนแปว่าสันติท่ามเป็นท่ามทั้งนั้นเห็นบ อ, อยากพยายาม หับเกี้ยนเอาคือมันบเป็นโมไปหรืออดทนไปย่างมีทีแค่หน้าไปบมได้ห้านิโมดีห้านีเลยห้านามันสิดีดีเป็นให้ถ้าเขาคิดเท่าน้องนั่นมังคาบใจว่าคับใจของเข้ามันก็เจนไปสำหรับตล่ากเกืงกาไหววันดีวันดีพอใจถููลู อุตสาหหาอุบายให้การด้ยึวได้ดีไปกันนี่ยังลูกหลานเของอาสาจินทีน่กายเศรษฐีมอ ย, ยินดีอยากาเขวัตเขวาอยา ก, กาผ้าจะส า, าเจ้านี่สังเกตเห็นใจเพื่อนคนอื่นเข า, าเขวัตเขว่าจำศิลภาวานาคนคนนั้นเขาโวยาฉอะไรอันใด ก็มีอุบายเขากระตือรเขาจีไห้เงื่อนเท่านั้นอร่อยทานี้ท่านจ้างให้เขาไปหงพอมอยากได้เงืนกับไปไปกับ่าเฮ็ดยีห้องล่ะพระพุทธเจ้าเทิดกับ่ฟังอาลาภาล่อนพ่อหอนมือเต่ามากแต่ว่าพอรับเงื่อนจากพ่อพอก็ะหาไปต่อมาพอห้ไปฟังช้ำ ฟางไปเังสั้นละดโดยวุความพอใจใส่ความบระยัอยูอยากตลาดอันไหนในอในถ้ำขันอยากเงื่อเหนท่องเท่านั้น้วขอรับเงินแล้วท่องพ่อก็ให้ต่อไปขันมันจำได้ในอดถที่เพืเ่อนเทศเพื่อนสอนหนึ่งเหยื่เงินก่อนใหญ่กว่านี้ ย่งเท่าได้ท่านเท่าได้มือนจำได้มากพอหาอุบายอย่างนั้นคนนั้ต้องการเงนินได้เงินมากก็เที่ยวไปเล่นมันสะดวกสบายใส่สอยอันใดมันจะได้สมควรภาชนะสำหรับอยู่ในโลกเหมือนความจิตจากเงินในชองมากมา่ ก, กายของอย่างนั้นไปฟัง เวลาพูด้เจ้าเท็บอกั่งใจฟังมันก็จำบ่ได้ฮะมันจาบ่ได้พ่อก็สิบาเงินเลยสั่งใจฟังตั่งใจไปตั่งใจมากทแค่หน้าอย่างเผลที่ควรเท็มันถูกมันแมนผลทีุ่ดเล่าก็ได้เป็นพระโสดาเป็นพระอริยะเจ้ามันกลับมาพอสิหม่องเงินให้ แล้วก็ว่ายิ่งดีเตรียมใจพอท่ามที่ได้มีคุณค่ามีสาสระหญะิงกว่เงินบว่าทองบาดุต้องโ่ต้องบังคับบรรทัดไปเองสร้างเองท่ามเองความดีต่างๆหมายถึงผู้ที่อดทนพยายามบ่อยาแจกรอดกอดทน ออ ว, อว่อยากได้เงินหรือว า, า, าอยากไปสวรรค์สันส่าอยากไปเป็นเทวบุตรเทวดาอยากไปนิพพานใจของเขาวายเขากะหาอุบายสอนมันแนะนํามัน่นท่านเหตุอ น, นันทําอันนี้มันสิได้บินได้สูงเสริมย่างหลั่งยางนี้มันจะมีความถูกท้องติดท้องใจถึงมัน่นวายะระวังครับมันซ่าให้มาเหตุมันทําไป บุญมันมีอยู่หดมดนะสมภูญิปัญญาตาจะเป็นบุญหูจะเป็นบุญดังจะเป็นบุญรื่นจะเป็นบุญตายก็เป็นบุญใจก็เป็นบุญขัดข้อหูจะบุญไปทางไหนบวชบวชนตาเห็นอันใดก้นขีดตำราชาสาัหากมนหมันเหียย่างวัดว่ายกกุฎีสล่ากระปัดกระกวัดนั่นจะเป็นบุญจะเห็น อันใดติดควรตตำลักเห็นอันใดตีควนห้ามาเกิเป็นบุญดอกใหม่ถูกเทียนเห็นอยู่ตายอยู่ดงลากหน้าห้างยาเย็บมากเป็นท่านมันจะเป็นบุญบุญมันอยู่นปัญญาปัญญาปารามีเข้ามาผู้มีปัญญาหรืหาได้ผู้ว่มีปัญญาในเหยียบกองบุญไปมันก็บรจักบุญได้บัวดสาราประโยชน์อันใดเป็นจังไห ใส่ปญัญญาใะะาส่จิตทิจนาสั่งเอาตาจะเห็นอยางที่เกิดเป็นประโยชน์แก่ตัวนำมาสอนจิตสอนใจตัวเองให้เฮ็ดให้ท่ำให้พูดให้จาให้พิจะะนาต้นเป็นบุญได้หลวงปู่ชาวปู่แกเห็ น, นคนเสียคนป่วยก็น้นนนนนำมาก ที่แกหน้านองก็มาใส่ส่วนของสัวแต่ก้อนเขาบัท่านนี่หลบไข่ไข่นาวอันใดเขาก็ไปได้มากสะดวกเวลาเขาป่วยไข่มากอยากไปใส้มากใส่ก็ไปบัวได้เท่ากันเป็นปวยเป็นไข่แต่ที่แทบนองเดียวกันระยะนี่เราโตกดีบ่มีโรกไข่ไข่นาวเหยียดเยียนไดนมานอนโตกเต่าเงาห้อยคือเขาข้อสีสันกล่อมดีเอาไว้เมื่อมันปวยมันไข่ ไปว่าไปว่าจำชินภาวนานะถ้ามุนทุนท่าอันใดมันก็ไปบ่ได้สอนใจต้องจดฟของให้มันขึ้นให้มันห้ให้มันสอใจ แ, แต่ถ้ำคุ่นความดีแล้วนี่นุณนพ้นนายเชงตาได้ดูสอนทั้งกายทั้งใจของตัวได้เกิดเป็ น, ปนบุญเป็นกุศลให้หูเดียวฟังแต่ทัาน้องเดียวกัน ยิงดีดีสี่ตัวตลางๆนั่นนะเขาเลยยิ่งแตจำมาินีที่จานหนาเมือนจ้าลูตาลราเมนั่งว่าตาามนั่งว่าตาลามนั่งว่ายกขั้นตาลรามานั่งว่าคนนั้หม า, ายามาานนามถึงตาเข็มลูกคิดใส่คิดคิ ด, ค ด, คดตามอย่างของท้าหูเลยยิ่งเสียงดังในถูกกินลื่นเลยลดกายเลยทั้งพัด เป็นบุญเป็นู้สนเป็นอารมณ์ของสามาคอยจอนสวรรค์ได้ขคิดในอในค่ำหาโบไข่คิดแหะมันจะเห็นอันใดโลกอันนี้จะได้โบมีอันใดเป็นของดีทนี่แต่ใช้ขี้เหร่่วงทับคิดใจเรื่อยไปเห็นอันใดแ่ีต่าจากโบไข่คิดอย่างรองค่าจะไข่คิดอย่างโลก เรื่องของที่เลสสิ่ทสัตย์ทั้งหลายเมื่ก่อนเต็ไปได้ท่านกันมากเป็มหลกเต็มสงสารดูสิเได้เห็นได้ยินมือเดันแต่ว่าเฮ้ามันสันบ่มีอาจมีท้ำมีสศรฐีปัญญาท่นก็พเพาะกนกันกับสัตว์ธรรมดาบ่มีอนไรที่แตกแกต่างกับเขาสิเขาเป็นสาตร์เปเิด มีเศรษฐีมีกระหนาใส่ชีิตเจอนะแตกหายใจใจของตนหงสกังกรรมมาโมออกเขาบอกอย่างือย่างดียังได้รหุจัือเอาบุญจักหง